รวัตท่านพระอาจารย์มั่นโดยสังเขปหลวงปู่มั่นภูริทัต า, าเทระเป็นบุรพาจารย์ของพระวิปัสสนากรรมฐานในช่วงรอยต่อในยุคกึ่งพุท ธ, ธกาลอาจจะกล่าวได้ว่าท่านได้เป็นผู้ก่อให้เกิดวงพระป่าในยุคสมัยนั้นซึ่งมีบทบาทมาถึงปัจจุบันหลวงปู่มั่นเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบมกราคม พุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงอเภอโคงเจียมจัังหวดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายคำดวงแก่นแก้วบรรดาคือนางจันแก่นแก้วเป็นพี่ชายคนโตของพี่น้องซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9คนแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก6คนท่านเข้าสู่ร่มภาคาสาวะพัฒ์ครั้งแรกโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปี พออายุได้17ปีได้ลาศิกขาตามคำขอร้องของบิดาเพื่อไปช่วยงานของครอบครัวกระทั่งอายุได้22ปีจึงขอบิดามารดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยใจที่มีศรัทธาท่านบวชเป็นพระภิกษุที่วัดสีทองคือวัดสีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436มีพระอริยกวีอ่อนธรรมราคิโตเป็นพระอุปชายยะพระครูสีธาชยาเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยยานาสโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์และเข้ารับการศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระกับพระอาจารย์เสากันตสีโล ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบตามคําคสอนของพระพุทธองค์ผลแห่งการนั้นทำให้ท่านเจริญในธรร ม, มาตามลําดับท่านบรรลุธรรมชั้นสูงและได้เพาะบ่มสิทธยานุสิทธิ์ซึ่งเจริญรอยตามไว้เป็นกําลังของพระพุทธศาสนาจํานวนมากจนอาจกล่าวได้ว่า พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในรุ่นหลังๆนั้นส่วนใหญ่แล้วล้วนก่อเกิดขึ้นมาจากรากฐานที่ท่านและหลวงปู่เสากันตศีโลได้วางแบบแผนไว้ทั้งสิน้นตามประวัติที่ท่านได้เล่าสุบิ น, นิมิตของท่านและพิจารณาสุบิ น, นิมิตนั้นได้ความว่า ท่านจะสำเร็จปฏิสัมพิทานุศาสตร์คือฉลาดรู้ในเทศนาวิธีและอุบายทรมานแนะนำสั่งสอนสานุสิตให้เข้าใจพระธรรมวินัยและอุบายฝึกฝนจิตใจแต่จะไม่ได้จตุปฏิสัมพิทายานเพราะปฏิสัมพิทายานมีสีประการดังนี้คือ 1. ปริชาญแตกฉานในธรรมคือหัวข้อธรรม หรือหลักธรรมหรือเหตุปัจจัยที่เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทายาน2ปริชาแตกชาในอัตถะหรือเนื้อความหรือคําอธิบายหรือผลประโยชน์ซึ่งเรียกกันว่าอัรถะปฏิสัมพิทายาน3ปริชาแตกชาในภาษาที่พูดกันในหมู่ชน รู้คำสูงต่ำหนักเบารู้ความหมายของคำประกาศเลือกใช้คำพูดมาประกอบเข้าเป็นประโยคให้ได้ความกระทัดรัดไพเราะสละสลวยหรือเรียกว่ายรุติปฏิสัมพิทาาน 4. ปรีชาญแตกชานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิภาณญาณหรือมีไหวพริบทันคนในการโต้ตอบปัญหา ปริวัติเทศนาไปตามจริตอัธยาศัยของผู้ฟังจึงเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทายานปฏิสัมพิทายานทั้งสประการนี้ต้องได้ครบบริบูรณ์ทั้งสี่ประการจึงจะเรียกว่าสำเร็จจะตุปปฏิสัมพิทายานแต่ถ้าได้ทั้งสี่ประการนั้นแต่ไม่บริบูรณ์เป็นแต่เพียงอนุโลมก็เรียกว่า จะตก ป, ปฏิสัมพิทานุโลมยานท่านน่าจะได้ในข้อหลังนี้หมายเหตุในเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตจากพระอริยคุณนาทานเสงอุสโส ซ, ซึ่งลงพิมพ์ในหนังสือประวัติของท่านที่แจกในงานถวายเพลิงศพท่านสามารถกำหนดรู้จิตนิสัยวาสนา ของคนอื่นและเทวดาเป็นต้นหรือที่เรียกว่าไตรวิทยานและใช้ปริชาญานี้อบรมสั่งสอนสานุสิทธ์โดยอุบายวิธีต่างๆทำให้สิทธิ์จำนวนมากบรรลุถึงความเป็นสุปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนในช่วงที่ท่านยังแข็งแรง ได้ออกทุดงหลีกเร้นไปบำเพ็ญเพียรตามป่าตามเขาต่างๆทั้งภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือบางแห่งก็เป็นป่าดงพงลึกยากที่จะติดตามไปได้ก่อนเข้าช่วงปัดชิมสมัยท่านวิเวกอยู่ทางภาคเหนือเป็นเวลาถึง11อดปีแล้วจึงกลับมาจำพรรษาอยู่ในภาคอีสานตามคำอรัราธนาของคณะสิทยาุสิทธ ในปีพุทธศักราช2483กระทั่งถึงปีพุทธศักราช2487จึงย้ายมาพำนักนาเสนาสนาป่าบ้านหนองผือตำบลนาใ น, านาอเภ พ, พันนานิคมจัังหวดสกลนครและเป็นช่วงที่ท่านได้อบรมสั่งสอนสิทธิทางสมถะวิปัสนาเป็นอันมากได้มีการเทศนาอบรมจิตใจสานุสิ์เป็นประจำวัน สิทธิผู้ใกล้ชิดได้บันทึกทมของท่านไว้และได้มีการรวบรวมพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางโดยให้ชื่อว่ามุตโตไทยกระทั่งในปีพุทธศักราช2492ซึ่งเป็นปีที่ท่านอายุ80ปีเริ่มมีอาการอาพาธคณะสิทธิได้ทำการรักษาพยาบาลท่านเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งได้นาท่าน มาพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านผู้ อ, อํนนาเภอพนณนิคมจังหวัดสกลนครเพื่อสะดวกแก่ผู้รักษาและสิทธิที่จะมาเยี่ยมพยาบาลและได้นําท่านมาพำนักที่วัดป่าสุทาวาสเมื่อวันที่10พฤศจิกายนประทังท่านได้ลาขันไปด้วยอาการสงบที่วัดป่าสุทาวาส อ, อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่11พฤศจิกายน พุทธศักราช 2,492 เวลา2นาฬกา23นาทีองค์สิทยานุสิทธ์ทั้งบรรพชิตและข้ารืหัดได้หลั่งไหลมาร่วมงานถวายเพลิงศพท่านจำนวนมากและได้รวมกันสร้างอุบโบสถขึ้นนักบริเวณที่ตั้งเมนถวายเพลิงศพที่วัดป่าสุทธาวาสเพื่อเป็นอนุสรแก่อนุชนรุ่นหลังต่อมาได้มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ภายในวัดป่าสุทธาวาสนั้นเพื่อเก็บรักษาอัฏบริขารและอัถิของท่านซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระาธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ไว้ให้สาธุชนได้สักการะและเป็นวัตถุพยานประกาศสัจจะแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าธรรมะนั้นอากาลิโกคือไม่จำกัดการผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดยอมลวงเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยไมย่จำกัดการเวลา